วันนี้หลวงพ่อได้มาเป็นองค์แสดงธรรมในขณะนี้งานนี้เป็นงานสงพะทาติเป็นงานประจำปีของหลวงพ่อของเราอย่างที่อาจารย์รพวกคูเหลือพูดก่อนที่หลวงพ่อขึ้นมาเนี่ยนะการฟังธรรมหรือการฟังเทศครูบาอาจารย์ให้ทำใจให้เป็นกลางกลางอย่าไปพูดว่าท่านพูดผิดหรือว่าท่านพูดถูก ให้เราฟังฟังแล้วนําไปคิดนําไปพิจารณาไตรตรองเหตุและผลเพราะแนวความคิดของครูบาอาจารย์แต่และองค์ไม่เหมือนกันเหมือนกับการทํามาค้าขายคนหนึ่งก็ขายน้ํามันอยู่ในปั๊มน้ํามันคนหนึ่งก็วิ่งรถคนหนึ่งก็วิ่งเรือคนหนึ่งก็ขายของชํา คนหนึ่งกับบริษัทห้างร้านคนหนึ่งกักิจยางคนหนึ่งกับขายทำนาอย่างนี้เป็นตน้นสรุปแล้วก็คือผลประโยชน์ก็คืออะไรก็คือเงินคือเงินที่ได้มาแล้วก็เพื่อแ ส, สวงหาปัจจัยสี่มาบำรุงเลี้ยงธาตุฐานของเรานี้ก็เหมือนกันการประพฤติปฏิบัติธรรม ถึงจะมีเลี่ยเหลี่ยมมากมายหลายเรื่องหลายราวแต่จุดมุ่งมั่นและมุ่งหวังของพวกเราก็คือความพ้นทุกข์จะทํำยังไงพวกเราจึงจะพ้นทุกข์แต่ว่าการสแสวงหานั้นบางครั้งก็อาจจะผิดผิดแปลกแตกต่างกันอาจจะเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างนี้ก็มีการสแสวงหาเงินอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเบื้องต้นว่าการสแสวงหาทรัพย์ แต่บางครั้งเขาอาจจะขายยาบ้ายามะอย่างเนี้ยแต่ก็ได้ทรัพมาแต่แต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยบางทีเราอาจจะคิดว่าการปฏิบัติของเราถูกต้องแต่ว่าบางทีอาจจะเป็นมิจฉาทิฐิไม่ใช่สัมมาทิฐิก็ได้อย่างนี้เป็นตน้นเพราะพวกเราเกิดมาสุดท้ายภายหลังเกิดมาพระพุทธเจ้าพริริพานแล้วใครๆก็ว่า ใครก็ว่าคําพูดออกไปหรือแสดงออกไปก็มั่นใจในการพูดและการแสดงออกไปว่าถูกต้องแต่ว่าพวกเราไม่ได้เกิดในยุคนั้นสมัยนั้นทั้งว่าหลวงพ่อเกิดในยุคนั้นสมัยนั้นนะหลวงพ่อก็จะได้ถามพระพุทธเจ้าว่าข้าพระองค์พูดเนี่ยถูกต้องไหมพระเจ้าค่ะหลวงพ่อก็จะถามหรือว่าหลวงพ่อเกิดมาในยุคนั้นหลวงพ่อไม่ตายตั้งแต่ยุคนั้นมาถึงยุคนี้หลวงพ่อก็จะจําได้ว่าเออ พระพ่อทีเจ้าพูดอย่างนี้นะแล้วผมเอามาพูดต่อนี่แหละถ้าไม่มั่นใจไปถามองค์นั้นนะที่ได้ยินด้วยกันหลวงพ่อก็จะว่าแต่นี่มันตั้งสองพันกว่าปีใครก็ว่าใครพูดถูกใครก็ว่าใครเห็นถูกท่นีจากนั้นก็มาถกมาเถียงกันเพราะนั้นพวกเราสาธุชนทั้งหลายให้ตั้งอกตั้งใจฟังฟังแนวความคิดของครูบาอาจารย์แต่ละท่านแต่ละองค์ท่านแสดงความคิดเห็นอย่างไร ที่หลวงพ่อเคยได้พูดแสดงความคิดเห็นให้แกจตหาญาิโยมได้ฟังว่าถ้าหากว่าเปรียบเทียบในการได้ยินได้ฟังถ้าเป็นแก้วชาถ้าเป็นถ้วยชาเหมือนกับถ้วยชาสี่ใบอยู่ในจานถ้วยชาใบหนึ่งคว่าใบอีกสามใบนั้นหงายปากใบหนึ่งคว่าปากลงไปในจาน ใบที่สองหงายปากแต่ก้นรั่วใบที่สามน้ำเต็มแก้วใบที่สี่แก้วสะอาดพ่องพร้อมที่จะรับน้ำได้ทุกเวลาถ้าจะเปรียบเทียวก็ว่าถ้วยชาใบที่หนึ่งคว่าปากลงจานเทน้ำเท่าไหร่ก็ไม่เข้า ถ้าเปรียบเทียบกับคนก็คือความไม่เชื่อไม่เชื่อในบาปในบุญในนรกในสวรรค์ไม่เชื่อในการทำดีทำชั่วจะเทน้ำขนาดไหนจะแนะนำขนาดไหนมันก็ไม่เข้าใจเพราะเหตุไรเพราะมันไม่เชื่อเหมือนกับถ้วยชามันมันคว่มปากแล้วหาความเชื่อไม่ได้มันไม่เชื่อแต่นี้เมื่อคนไม่เชื่อแล้ว ได้รับความรู้ความฉลาดได้รับความเข้าใจนะั้นเป็นไปไม่ได้อันนีค้คือแก้วถ้ว ย, วยชาถ้วยที่หนึ่งแต่ถ้วยที่สองถ้วยชาหงายปากแต่ก้นรั่วเวลาเทน้ำชาลงไปก็รั่วหมดถ้าจะเปรียบเทียบกับคนเราเขาว่าไปฟังธรรมไปฟังเทศที่ไหนก็ไปไปฟังได้ แต่ฟังแล้วไม่ได้คิดไตรตรองเหตุและผลที่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ฟังแล้วก็ไม่ได้ไข้ควรไตรตรองมีแต่ฟังจบแล้วก็สาธุ่ได้บุญแล้วก็จบท่านพูดมีเหตุผลอย่างไรไม่ได้คิดอันนี้คือถ้วยชาถ้วยที่สองส่วนถ้วยชาถ้วยที่สามคือถ้วยชาเต็มแก้ว จะเทเข้าไปอีกไม่ได้เพราะมันเต็มแล้วมันล้นแล้วอันนี้ก็คือไม่ไม่รับใครทั้งหมดผมได้ศึกษามาจากฉันได้ศึกษามาจากครูบาอาจารย์แล้วได้ฟังมาจากองค์นั้นองนี้แล้วพอแล้วได้ศึกษามาจากกำรับตำราพอแล้วไม่เอาอีกแล้วแต่ถ้าว่าเขาพูดถูกพูดถูกเข้ากับตัวเองก็เออเนี่ยที่ท่านพูดถูกต้องแต่เราก็มีแล้วเนี่ย ท่านพูดถูกต้องแต่เราก็มีแล้วอันนี้ก็คือไม่รับเพราะมันเต็มแล้วแต่ถ้าหางว่าท่านพูดแสดงความคิดเห็นว่าไม่ถูกถ้าท่านออกมาไม่ถูกกับใจของเราเราก็าเอ้ยท่านพูดไม่ถูกไม่เป็นอย่างนั้นความเห็นของเราเราศึกษามาอย่างนี้อันนี้ก็คือถ้วยชาถ้วยที่สามส่วนถ้วยที่สีนะ่นั่นคือน้าชาพ่องแก้ว พร้อมที่จะรับได้ทุกเวลาเวลาครูบาอาจารย์ท่านองคไหนมาแสดงธรรมมาพูดให้ฟังจะเป็นาาศรัทธาญาติโยมใครก็ตามเป็นผู้แสดงธรรมเราก็ฟังออพอฟังเสจบแล้วเราก็ไตร่ตรองเหตุและผลเหมือนกับ น, น้ําชาเทลงไปในแก้วเราก็มองดูแลเออน้ําชา ใ, ใสาสะอาดดีน่าดื่มไม่มีผงไม่มีฝุ่นไม่มีสิ่งสกปรกสิ่งแปลกปลอม ในถ้วยชาใบนี้เอออันนี้เราก็ดื่มเพว่าเราดื่มน้ำชาแต่ถ้าว่ามีสิ่งแปลกปลอมแล้วก็เททิ้งซะเออพอเราไต่ตรองดูด้วยเหตุผลอันหลักทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาหลายๆองค์มาเปรียบเทียบดูมันไม่ถูกเราก็เททิ้ง น, นี่แหละแต่ว่าชาถ้วยที่สามอย่างที่ว่า น, น้ำชาเต็มแก้วเอ่ไม่ยอมรับใครๆ อันนี้หลวงพ่อว่าไม่ถูกอีกเหมือนกันเหตุเพราะเหตุไรถ้าว่าตัวเองได้สำเร็จเป็นพระอาหารหันต์แล้วเป็นพระอเสขะผู้ไม่ต้องศึกษานั้นไม่เป็นไรเพราะจบแล้วแต่ถ้าว่ายังเป็นผู้ศึกษาอยู่ก็ต้องฟังฟังเหตุฟังผลฟังเรื่องฟังราวฟังจากครูบาอาจารย์จากนั้นก็มาไตรตรองเหตุและผลที่ได้ยินได้ฟังจากนั้นเรายังค่อยรับหรือไม่รับ ออมันอีกส่วนหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่งนะเพราะนั้นขณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอันนี้หลวงพ่อได้กล่าวก่อนที่จะแสดงธรรมตอนนี้ไปหลวงพ่อจะแสดงธรรมให้แก่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ยินได้ฟังเพื่อการศึกษาต่อไป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 วันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งที่หลวงพ่อได้มาเป็นองค์แสดงธรรมบนเจดีมหาธาตุเจดีแห่งนี้ที่เป็นวัดของหลวงพ่อของเราเป็นเจดีสูงตระหนเป็นสง่าราศีของจังหวัดอุดรของประเทศไทย เพราะนั้นหลวงพ่อได้มาเป็นองค์แสดงธรรมและก็วันนี้เป็นวันสงพระธาติประจําปีทุกๆปีเมื่อสร้างพระเจดีย์จบผ่านมาแล้วก็มีการจัดงานฉลองพระธาติสงพระธาติทุกปีคําว่าพระธาติคานี้คือพระบรมสารีริกธาตุคือคือพระธาติของพระพุทธทเจ้า พระอรหันตธาตุก็คือพระธาตุของพระอรหันต์คำว่าพระธาตุก็เป็นอันว่าผู้ที่กระดูกหรืออัติธาตุของท่านได้กลายเป็นพระธาตุในหลักของพระพุทธศาสนาพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าคือพระอรหันตเท่านั้นที่จะกระดูกจะกลายเป็นพระธาตุเพราะฉะนั้นพวกเราได้มาส่งพระบรมสารีริกธาตุและพระ ธาตุของพระอรหันต์ที่ได้บรรจุไว้ในพระเจดีย์แห่งนี้คือพระเจดีย์พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเอาไว้ว่าพระเจดีย์สมควรที่จะสร้างรับรองก็คือพระธาตุพระพุทธเจ้าพระธาตุพระอรหันต์พระธาตุพระปฏิเจ้าพระธาตุพระอรหันต์สาวก และก็พระธาตุและก็พระอติธาต์ของพระเจ้าจากักรพรรดิคือพระพุทธเจ้าก็สมควรสร้างพระเจดีย์ในทางสี่แผ่นเพื่อให้พุทธบริษัทสี่ได้กราบได้ไหว้ได้เคารพสักการบูชาเป็นที่กราบไหว้ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายและพระประเจกพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันที่ท่านหมดจดจากกิเลสแล้วก็สมควรที่จะสร้างพระธาตุพระเจดีย์ ในทางศีลแพ่งฤทธิในสถานที่เคารพสักการะตลอดถึงพระธาตุของพระหัตถ์แต่พระเจ้าจักรพรรดิทําไมพระเจ้ากับจักรพรรดิยังเป็นผู้ยังมีกิเลสอยู่ยังมีราคะโทสะโมหะอยู่แต่พระพุทธเจ้าทําไมจึงให้สร้างพระเจดียรองรับพระเจ้าจักรพรรดิเพราะว่าในยุคสมัยใดเมื่อพระเจ้าจักรพรรดิปกครองแผ่นดินประเทศชาติในยุคสมัยนั้น เป็นประเทศชาติที่ว่าเป็นยุคที่ร่มเย็นที่สุดเพราะปกครองโดยธรรมโดยมากพระเจ้าจากักรพรรดิท่านจะรักษาศีลอุโบสถทุกวันพระแต่ศีลห้าและกา ร, รมาบทพระเจ้าจากักรพรรดิจะรักษาเป็นนิจของท่านเป็นที่จะศีลของท่านเพราะนั้นผู้ที่มีศีลปกครองบ้านเมืองในยุคใดบ้านเมืองในยุคนั้นก็มีแต่ความสงบร่มเย็นผาสุขหา ขโมยโวยโจรหรือหาคน ท, ที่จะเอารัดเอาเปรียบกันไม่ได้ไม่มีในยุคนั้นเพราะนั้นเมื่อพระเจ้าจักรพรรดิล่วงลับดับขันไปเมื่อประชุมเพลิงท่านแล้วก็สร้างพระเจดีย์ขึ้นมาในทางสีแพ่งเพื่อให้ปวงประชาได้กราบเคารพสักการะบูชาวันนี้คือบุคคลที่เป็นผู้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรม สมควรอย่างยิ่งพวกพวงประชาทั้งหลายจะต้องกราบจะต้องไหว้เคารพสักการะบูชาถ้าว่าพวกเราอยากจะเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิพวกเราก็ควรทําตัวอย่างพระเจ้าจากักรพรรดิคือเป็นผู้มีศีลมีธรรมมีจริยธรรมที่ดีถ้าว่าผู้ใดไปกราบอธิษาตของพระเจ้าจากักรพรรดิผู้นั้นก็ไปสู่สวรรค์ได้นีอันนี้ก็คือพระบรมสารีริกธาตุเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่ได้มา ร่วมงานหรือว่ามาส่งพระธาตุในในครั้งนี้พระธาตุท่าจะว่าไปแล้วก็คือพระธาตุพระหันพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีพระคุณสําหรับชาวโลกทั้งหลายพระธรรมก็คือคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์คือคือพระษาวกของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ถ้าจะว่าไปแล้วคืออันหนึ่งอันเดียวกัน คืออัญญะมัญยังอาศัยซึ่งกันและกันเพราะพุทธเจ้าเป็นผู้ตัดสู้พระธรรมพระธรรมเป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์คือนำธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาประกาศมาเผยแผ่ให้แก่พวกเราทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติอย่างพวกเราท่านทั้งหลายที่ได้มาศึกษาได้มาปฏิบัติอย่างช่วงนี้ระยะนี้ ที่มารักษาศี8ล8ปดหรือรักษาศีลห้าได้ได้มากราบมาไหวมาบำเพ็ญกองการกุศลเสียสละบ้านเรือนเสียสละเวล่มวลามาประพฤติปฏิบัติธรรมมาปฏิบัติเนคข่ำคือปฏิบัติการบวชชั่วครั้งชั่วคราวเป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่มหาศาลสำหรับชีวิตของพวกเราเพราะนั้นพวกเรา ท่านทั้งหลายศรัท ธ, ธาญาติโยมทั้งหลายที่มาบำเพ็ญกองการกุศลในครั้งนี้หลวงพ่อว่าเป็นกองการกุศลอันยิ่งใหญ่ปีหนึ่งควรจะมีสักครั้งหนึ่งเพราะนั้นศรัท ธ, ธาญาติโยมปีต่อไปหลวงพ่อว่าพวกเราก็ควรจะยึดแถวแนวนี้แหละเป็นเยี่ยงอย่างของลูกของหลานเพื่อจะให้ลูกหลานเป็นเยี่ยงอย่างในการธประพฤติปฏิบัติถ้าว่ายุคใดสมัยใดคนมีศีลธรรม มีจริยธรรมที่ดีในยุคนั้นสมัยนั้นในช่วงนั้นบ้านเมืองก็จะสงบพรมเย็นเป็นสุขแต่ถ้าว่ายุคใดสมัยใดขาดศีลธรรมยุคนั้นสมัยนั้นเดือดร้อนวุ่นวายแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉนั้นพวกเราควรจะเป็นตัวอย่างของลูกของหลานให้พวกเราได้ให้ลูกหลานของเราถือเป็นเยี่ยงอย่างอย่างพวกเราทำอย่างเดียวนี่แะ หลวงพ่อมองไปเห็นแล้วก็สบายตาสบายใจสำหรับศรัทธาญาติโยมไดมากราบมาไหวมาเคารพสักการะบูชาพ่อปลมสาลีลิกิตาธิพ่อปลมสาลีลิกติากาตาธิคือเป็นผู้มีผู้มีอุปกราระคุณอย่างบางท่านบางคนก็พูดขึ้นมาบอกว่าการเคารพกราบไหวพระพุทธปฏิมาก็ดี พระธาตุก็ดีเอเป็นการการกาบการไหว้ mm hmm. เหล็กหินปูนสายทองเหลืองทองแดงเท่านั้นเองแต่ถาาว่าเราคิดเพียงแค่นั้นหลวงพ่อว่าคิดแบบโง่โนงะ่ท่าคิดฉลาดก็คือคิดกราบพระคุณของท่านเรากราบทองเหลืองก็จริงเราปั้นพระพุทธรูปเป็นทองเหลืองขึ้นมาโดยปนูนหรือว่าโลหะ เรื่อว่าไม้เราทําเป็นรูปของพระพุทธรูปขึ้นมาเรากราบเหล็กหินปูนทรายหรือว่ากราบไม้ไม่ใช่เรากราบไม้ถ้ากราบหินปูนทรายกราบไม้เฉยๆอันั้นโง่แน่แต่ถ้าเรากราบพระคุณเนี่ยหลวงพ่อว่าพระพุทธศาสนาสอนให้มีพระคุณหรือว่ามีบุญคุณอย่างที่พ่อแม่ของพวกเราก็เหมือนกัน ถ้าใครก็ตามไปกราบกระดูกแห้งของพ่อแม่หลวงพ่อว่าโง่แต่ถ้าไปกราบกระดูกแห้งของท่านแต่ละลึกถึงพระคุณว่าร่างกายของเราตั้งแต่หัวจุดเท้านี่นี่แหละกระดูกนี่แหละเ อ, อที่เลี้ยงดูเรามาแต่บัดนี้ท่านได้ล่วงรับดับขันไปแล้วแต่เราก็ไม่ได้ทานว่วยดินฟ้าอากาศก็ยังไงอยู่อันนี้คือกระดูกพ่อแม่ของเราชัดๆที่เรามากราบในครั้งนี้ เรามากราบในครั้งนี้กราบกระดูกพ่อกกระดูกแม่ของเราแต่เรากราบพระคุณของท่านที่เด็กเลี้ยงดูเรามาแ ต, แต่เด็กแต่แต่เล็กแต่น้อยจนถึงเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาบุญคุณที่ท่านได้เลี้ยงมานะั้นยังอยู่กับเราอยู่ที่ใจของเราเพราะนั้นมากราบในครั้งนี้ถึงจะไม่เห็นตัวท่านแต่ข้าพเจ้ามากราบอธิธาดด้วยกรกราบกระดูกของพ่อแม่แล ะ, ระพร้อมกันข้าพเจ้าก็ได้ทาบุญ อุทิศสวนกุศลได้ตักบาตรได้ทาบุญในพระพุทธศาสนาและก็น้อมจิตอุทิศสวนกุศลถึงดวงวิญญาณของพ่อของแม่้ทวท่านพ่อแม่ลงรับไปแล้วดวงวิญญาณของท่านตกทุกข์ได้ยากอย่างไรเขาขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำในวันนี้เนี่ยอันนี้ก็คือเราลําลึกถึงพระคุณของบิดามารดา เป็นกุศลในจิตใจของพวกเราอันนี้คือความถูกต้องแต่ถ้าเราไปกราบธรรมดาไม่ได้คิดอะไรแอบกราบไปเห็นทองเหลืองที่ไหนก็กราบไปเห็นปูนที่ไหนก็กราบแอบอันนั้นเราจะไหวยังไงแออย่าง เ, เ, เพราะฉะนั้นที่พวกเราได้มาส่งพระทาตุพอดีก็คือพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีพระคุณพระมหากรณาธิคุณอย่างยิ่งสําหรับพวกเราอย่างที่หลวงพ่อได้ยกเป็น พุทธภาษิตขึ้นเบื้องต้นว่าศัทธาเทวมนุษสาหนังพุทโธพระขาวาศัทธาพระพุทธเจ้าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเทวมนุษสาหนังศัทธาพระพุทธเจ้าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นพุทธพระขาวาเป็นผู้จำแนกธรรมให้แก่พวกเราทั้งทั้งหลายได้ยินได้ฟังนี่แหละอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าถ้าจะว่าไปแล้วหลักของพระพุทธศาสนาถ้าจะว่าบรรยายออกไปแล้วมีมากมายแต่จุดใหญ่ของพระพุทธศาสนาจุดใหญ่ของพระพุทธเจ้าที่แนะนำสั่งสอนพวกเราปวงประชาของพวกเราที่ยังคงเส้นคงวาถ้าว่าเราจะนำทาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันมาพูดแล้วมา ว่ากล่าวมากเกินไปไม่รู้จะเอาจุดไหนนำมาประพฤติปฏิบัติแต่พระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านให้เอาแต่เฉพาะที่พวกเราจะฟังได้ศึกษาได้แต่ท่านผู้ใดมีความรู้มีความสามารถที่จะศึกษาในพระไตรปิฎกถึงแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ ก็ศึกษาไปเพราะท่านมีความสามารถแต่พระพุทธเจ้าทาไมจึงตรัสจุดที่พวกเราจะต้องศึกษานั้นจะต้องนำมาประพฤติปฏิบัตินั้นไม่มากแต่พระพุทธเจ้าทำไมจึงเทศนาว่าการถึงแปสี่พันพระธรรมขันธ์พระพุทธองค์ท่านได้ตรัสไว้ว่าในต่อไปภายภาคหน้าถ้าหาว่าผู้ใดนอกศาสนาที่จะมาถามปัญหา กับพระพุทธองค์กับพระสงฆ์ลูกศิษย์ของพระองค์พระพุทองค์ก็เลยบอกแนวความคิดไว้คือสอนมวยเอาไว้อสอนมวยให้ลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเอาไว้ถ้าเขาถามอย่างนี้ต้องตอบอย่างนี้ถ้าถามพวกนี้ต้องตอบอย่างนี้เอบเลี่ยงประมาณอย่างงั้นต้องว่าอย่างงั้นเพราะฉนั้นจึงมีพระธรรมแปดหมื่นสี่พันพระธรรมมขันให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาเพราะนั้น ถ้าเราได้ฟังได้ศึกษาในพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วสอนในทางด้านปัญญาทางนั้นสอนเล่ยเลี่ยมในการพูดในการแสดงเรื่องการแนะแนวของพระพุทธเจ้าแต่สําหรับพวกเราท่านทั้งหลายที่จะนํามาประพฤติปฏิบัตินั้นพระพุทธองค์ก็สอนเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญา พระทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนเรื่องเรื่องทานพระพุทธเจ้าบอกท่านตรัสไว้ว่าคนเราเกิดมาถ้าว่าไม่มีน้ำใจไม่มีการเสียสละไม่มีการเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันเกิดมาแล้วเห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ใครพ่อแม่พี่น้องลูกหลานหมูหมากาไก่อยู่กับเราไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะเราไม่มีน้ำใจเราไม่มีการเฉลือเผื่อแผ่ไม่มีการแบ่งปัน แต่ว่าพวกเรามีการแบ่งปันมีการเสียสละไปนัชสถานที่ใดมีพี่มีน้องมีพักมีพวกมีเพื่อนมีฝูงมีวงสาคานาญาติไปที่ไหนไม่เป่าเปียวเดียวใดมีแต่คนให้ความรักเคารพนับถือเพราะเหตุใดเพราะว่าคนคนนั้นมีน้ำใจอันนี้คือฐานะคือการทานศินคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยถ้าว่าพวกเรา มีสินไปณสถานที่ใดไม่เบียดเบียนผู้คนสัตว์สาราสิงให้ความอบอุ่นให้ความเมตตาต่อสรรพสัพตว์ทั้งหลายไปที่ไหนคนก็สบายอกสบายใจกับเราไปสนสถานที่ใดไม่คิดฆ่าเขาไม่คิดฆ่าคนไม่คิดฆ่าสัตว์ในเมื่อไม่คิดฆ่าเขาเขาก็ไม่คิดฆ่าเราต่างคนก็ต่างมีเมตตาต่อกัน ความสงบร่มเย็นเป็นจุกก็เกิดขึ้นแล้วในชุมชนและสังคมในยุคนั้นหรือในตัวบุคคลนั้นๆอันนี้คือศิลข้อที่หนึ่งอทินนาทานก็เหมือนกันไม่ขโมยของคนอื่นเขาเขามาขโมยของเราเราไม่ไปขโมยของเขาต่างคนต่างขโมยกันแล้วโลกทั้งโลกในยุคนั้นสมัยนั้นจะหาความสงบร่มเย็นเป็นจุขไม่ได้เพราะต่างคนก็ต่างคิดจ้องขโมยมิตกคดจะโกงกัน อันนี้ก็คือสินข้อที่สองสินข้อที่สามกาเมสุมิตสาจาราเวรมณีสามีภรรยาลูกหลานของเขาของใครเ็าก็ออรักสมวนห่วงแหนของเขาเพราะตระกูลของเขาถ้าว่าผู้ใดก็ตามไปล่วงล้ำซึ่งกันและกันโลกยุคนั้นสมัยนั้นเดือดร้อนแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเพราะว่าขาดศีลธรรมไม่เคารพสิทธิ์กันต่างคนต่างมีเพราะนั้นต้องให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกัน อันนี้สินข้อที่สามข้อที่สี่มุสาอย่าไปโกหกต้มตุนหลอกลวงเขาถ้าว่าต้มตุนหลอกลวงโกหกเขาคำว่าโกหกคํานี้มันมีมากมายหลายระดับอย่างเอาของปลอมไปต้มตุนหลอกลวงเขาให้เขาเชื่ออย่างนี้หรือว่าเขียนเช็คให้เขาทั้งที่เงินในธนาคารไม่มีเขียนเช็คให้เขาเป็นเช็คเด้งอย่างนี้ มันก็จัดเข้าเป็นการโกหกทั้งนะั้นเขาว่าโกหกคานี้มันมีหลายระดับเพราะฉะนั้นการโกหกคนอื่นเขาเขาโกหกเราเมื่อเขาโกหกเราเราเสียใจไหมนี่เมื่อเราไปโกหกเขาล่ะเขาเสียใจไหมก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติสิทว่าอย่ากโกหกกันข้อที่ห้าสุราเมระยะมัชฌะประมา ก, การดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทถ้าว่าพวกเราดื่มสุราเข้าไปแล้ว ขาดสติแล้วสามารถที่จะทําความชั่วได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นการดื่มสุราไม่เป็นผลดีสรุปแล้วศินข้อที่หนึ่งก็หขาดกระจุยได้เพราะขาดสติศินข้อที่สองขโมยใครก็ได้เพราะขาดสติศินข้อที่สามไม่ลบเขารบฉิตสามีภรรยาใครก็ได้เพราะขาดขาดสติข้อที่สี่มุสาโกหกใครก็ได้เพราะขาดสติ เพราะคนขาดสติแล้วสามารถที่จะทำความชั่วในทุกอย่างเพราะนั้นสินของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของเล็กน้อยเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆ ท, ท่านถ้าว่าผู้ใดก็ตามต้องการความสงบร่มเย็นผาสุขในชุมชนและสังคมในกลุ่มหรือในยุคนั้นๆควรจะมีสินควรจะมีศีลธรรมจริยธรรมนำมาประพฤติปฏิบัติ ทางว่าพวกเรามีศีลธรรมนํามาประพฤติปฏิบัติแล้วความสงบผาสุขก็จะเกิดขึ้นในยุคนั้นสมัยนั้นไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเรื่องศีลธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของเล็กน้อยเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆ ท, ท, ท่านที่จะต้องเป็นผู้ใส่ใจและเป็นผู้แนะนําสั่งสอนเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วเออศีลธรรมของพระพุทธเจ้ามีคุณค่ามีสาระมีประโยชน์เพราะนั้นศีลธรรมไม่ใช่ ให้ผู้หนึ่งผู้ใดเมื่อพวกเราได้ยินแล้วก็เป็นคารวะญาติโยมกว่าแนะนําสั่งสอนลูกหลานไปเรื่อยๆใ้ทางว่าพวกลูกหลานของเราคนในชาติของเรามีศีลแล้วทำแล้วนั่นแหละพวกเราก็สงบร่มเย็นเป็นสุขอันนี้คือคือทานศีลและกับภาวนาศีล ส, สมาธิปัญญาสมาธิ ค, คือความตั้งใจมั่นอย่างหลวงพ่อทูล ที่ท่านพูดเนีอยสมาธิท่านอธิบายของท่านก็ถูกแต่ว่าคําว่าใจมั่นตั้งใจมั่นคํานี้เนี่ยที่พระพุทธเจ้าที่ท่านไปสอนแล้ว่าไปโปรดปัญจวัคคีย์ที่ท่านได้ตัดสู้ใหม่ท่านก็ไม่ได้สอนปัญจวัคคีย์ทั้งห้าว่าให้นั่งสมาธิอย่างงู้นอย่างนี้ทําจิตให้สงบอย่างงู้นอย่างนี้ ท่านก็สอนเรื่องสัมมาทิฏฐิขึ้นเป็นเบื้องต้นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบถ้าคนเห็นชอบแล้วทุกอย่างมันก็ชอบไปด้วยการคิดชอบการกระทำก็ชอบการพูดก็ชอบถ้าว่าเห็นผิดการกระทำก็ผิดการพูดออกไปก็ผิดการแนะนำออกไปมันก็ผิดเพราะเหตุไรบอกมันผิดออกมามาจากต้นต่อ เพราะนั้นคำว่าผิดหรือถูกคำนี้น่มันอยู่ในการได้ฟังหรือว่าในการได้ศึกษาจากครูบาอาจารย์แต่บางท่านบางองค์ท่านเขาแนะนำเป็นแนวแถวของท่านแต่ตามไม่จริงก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดต่างคนก็ต่างได้มาต่างคนก็ต่างว่านี่แหละถูกต้องแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อว่า จะให้หลวงพ่อพูดอีกแนวความคิดคิดเห็นหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าสัมมาทิฏฐิที่หลวงพ่อทูลพูดก็ถูกต้องคาของท่านแต่ว่าหลวงพ่อว่าเรื่องสติสติสัมปชัญญะคนที่มีสติดีมีปัญญาแล้วก็มีความเห็นอันนี้คือมันจะต้องไปในลักษณะอย่างนั้นคือคนขาดสติ อย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าคนที่ดื่มเหล้าขาดสติก็ไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วไม่รู้จักมิจฉาทิฏฐิด้วยสัมมาทิฏฐิคนที่ขาดสติคือคนเป็นบ้าคนขาดสติเขาก็ไม่รู้จักสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฐิอย่างเนี้เพราะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าถ้าจะว่าไปแล้วมีสองมีสองมีสองทั้งนั้นมิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฐิเหตความเห็นผิด ความเห็นถูกความอดทนผิดความอดทนถูกความเพียรผิดความเพียรถูกอย่างนี้มีหลายๆอย่างออย่างที่หลวงพ่อได้ให้คําขวัญปีใหม่เอปีที่แล้วศรัทธาญาติโยมไปที่วัดหลวงพ่อหลวงพ่อว่าออหลวงพ่อให้คาขวัญปีใหม่นะปีนี้หลวงพ่อว่าให้มีสติ ปัญญาศรัทธาความเพียรความอดทนหลวงพ่อว่าสติคนให้มีสติให้มีปัญญาแล้วก็ให้มีศรัทธาและให้มีความเพียรและมีความอดทนถ้าว่าคนไม่มีสติจะเป็นคนสมบูรณ์ไม่ได้ถ้าคนไม่มีปัญญาสัมมาทิฏฐิจะเป็นคนดีไม่ได้ ถ้าคนไม่มีศรัทธาคือความเชื่อจึงจะมีปัญญาจริงอยู่แต่ไม่ไม่เชื่อใครง่ายๆไม่เชื่อใครไม่เชื่อบาบานุคุณโทษมีเขามีปัญญาอันนี้ก็ศรัทธาสมาธิฏิไม่มีก็หาความสงบความร่มเย็นเป็นสุขในเขาตัวเขาไม่ได้แล้วก็ความเพียรก็เหมือนกันถ้าไม่มีความเพียรไม่มีความพยายามเป็นสมาธิฏิจิตใจเละเละจิตใจเป็นสู้อย่างเนี้ยไม่มีความเพียร ก็หาเป็นคนดีไม่ได้และก็หาความอดทนในคนคนนั้นไม่ได้อย่างนี้ก็หาความสงบร่มเยน็นผาสุขไม่ได้เพราะนั้นหกัรทาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถ้าจะว่าไปแล้วมีมากมายหลายอย่างสำหรับพวกเราจะต้องได้ศึกษาแต่แนวแถวขององค์ครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่มั่นท่านก็ว่าให้มีสติ ให้มีสติอยู่กับตัวเองถ้าคนขาดสติจิตใจจะไม่เป็นสมาธิสติต้องมาก่อนเมื่อสติตั้งมั่นแล้วสมาธิก็ตามมาแล้วก็ปัญญาก็เดินไปตามเพราะฉะนั้นทั้งสองทั้งสามอย่างสติต้องมาก่อนเมื่อจิตเป็นสมาธิและจะอยู่ในสมาธิอย่างเดียวไม่ได้ต้องถอนออกจากสมาธิต้องน้อมนําจิตออกจากสมาธิหรือเมื่อถอนออกมาแล้วเมื่อพัก โชคครั้งชั่วคราวหนึแล้วถอนออกมาจากสมาธินํามาพิจารณาแต่ถ้าว่าอยู่ในสมาธิอย่างเดียวเปล่าประโยชน์จริงๆเนีเหมือนกับคนคนเรานะีถ้าว่าคนเราบอกว่ากินแล้วนอนแล้วไม่ต้องนอนทํางานอย่างเดียวคือคนที่ทํางานอย่างเดียวก็คือคนใช้ปัญญาอย่างเดียวโดยที่ไม่มีสมาธิในการพักผ่อนแต่ถ้าว่าคนมีแต่พักผ่อนนอน โดยที่ไม่ได้ทำไม่ได้ทางานและก็กินและก็ น, นอนเสียเวล่ำเวลาอย่างมากไม่มีผลงานเลยทั้งที่จะทำการทางานให้เกิดประโยชน์ไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะมีแต่กินและก็นอนอันนี้แปลว่าสมาธิเหมือนอย่างนั้นแ่ะกินแล้วนอนแต่ส่วนปัญญานั้นมีแต่คิดใช้ปัญญาพิจารณาไตรตรองหาทางที่จะหลุดพ้น ออกจากกิเลสราคะโทสะโมหะแต่ถ้าว่ามีแต่คิดออกอย่างเดียวโดยที่ว่าไม่ได้พักผ่อนไม่ได้มานอนไม่ได้พักผ่อนคนคนนั้นจะทำงานไปได้มากน้อยแค่ไหนเพราะเหตุไรเพราะไม่ได้พักผ่อนเพราะนั้นเรื่องสมาธิกับปัญญาเป็นของเกื้อกูลหนุนกันอัญยับมันยังอาศัยซึ่งกันและกันถ้าจะว่าไปแล้วก็ ค, คืออย่าง สุดธมะปัญญาอย่างเนี้ยเรื่องพวกเราได้ศึกษาธรรมะอย่างเนี้ยปริยัติปฏิบัติปฏิเวทอย่างเนี้ยปริยัติเมื่อเราศึกษาแล้วเป็นบาตรฐานของปฏิบัติไม่เมื่อเราปฏิบัติเป็นบาดฐานของปฏิเวทมันเป็นบาดฐานซึ่งกันและกันถ้าว่าพวกเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนรู้ แล้วเราจะปฏิบัติได้อย่างไรเพราะเราไม่ได้ศึกษาเราไม่ได้ยินได้ฟังมาก่อนแล้วเราจะปฏิบัติธรรมะได้อย่างไรเพราะนั้นเรื่องปริยัติเมื่อเราได้ศึกษาแล้วเป็นบาดฐานของปฏิบัติเมื่อเราได้ศึกษาแล้วเราก็นำมาประพฤติปฏิบัติในเมื่อเราลงมือประพฤติปฏิบัติตามสมควรกับธรรมที่เราได้ศึกษาแล้วผลแห่งการปฏิบัติก็คือปฏิเวทปฏิเวทธรรม ก็จะปรากฏขึ้นในตัวของพวกเราท่านทั้งหลายอันนี้ถ้าจะเพียบไปอีกมาในระดับถึงว่าสินเป็นบาดฐานของสมาธิถ้าว่าคนไม่มีสินไปทำความชั่วเสียหายไปตีไปฆ่าไปป้นไปจี้ไปลักไปขโมยของเขามาแล้วจะมานั่งสมาธิจิตใจมันวุ่นวายแล้วจะหาความสงบเป็นสุขไม่ได้เพราะนั้นเราต้องรักษาศินก่อน เมื่อรักษาสินสินของเราบริสุทธิ์ดีแล้วจะมานั่งสมาธิใจของเราก็ไม่บ็อกแวกไม่ปั่นป่วนไม่ปุ่งฟงซ่านเพราะเหตุไจเพราะใจของเราเป็นสมาธิเมื่อสินของเรานึกย้อนถึงสินของเราแล้วไม่มีบลนทินใจของเราเขเข้าสู่ความสงบได้ง่ายด้เมื่อจิตใจสงบแล้วเป็นบาทฐานแล้วนำมาพิจารณาทางด้านปัญญา ก็เกิดปัญญาที่แท้จริงได้เพราะจิตใจไม่กระสับกระส่ายจิตใจไม่ปรุงฟุ้งซ่านในเมื่อจิตเมื่อปัญญาพิจารณาไตรตรองด้วยปัญญาด้วยเหตุผลแล้ววิมุตต์หลุดพ้นก็จะเกิดขึ้นได้เพราะเหตุไรเพราะว่าปัญญาได้กันกรองด้วยเหตุด้วยผลแล้วนี่แหละเป็นบาดฐานซึ่งกันและกันหลวงพ่อได้เคยเปรียบเทียบให้แก่ศรัทธาญาติโยมได้ฟังว่าสมาธิ ถ้าเราตั้งใจมั่นหรือพิจารณาตั้งใจมั่นฝึกสมาธิดีแล้วก็เหมือนกับช่างตัดเหล็กเขาใช้แก๊สใช้ใช้ลมใช้ไฟแล้วก็ใส่ในหัวแก๊สทั้งสามเส้นแล้วก็เขาก็จุดไฟพอจุดไฟขึ้นมาแล้ว ถ้าหาว่ามันเสียงพะ อ, ออกมาเนะเออมันพู่ออกมามันมันมันหัวไม่ไม่เลียวนะมันตัดเหล็กไม่ขาดเพราะเหตุไรมันผ้าแต่นี่ช่างเขาก็ต้องหมุนหัวแก๊สเข้าไปให้มันหลีเข้าไปจนสีเขียวปัดจากนั้นเขาจ่อลงแผ่นเหล็กหนาๆเน่นนะเหล็กมันละลายเลยเพราะเหตุไรเพราะมันเป็นหนึ่ง นี้ก็เหมือนกันถ้าว่าจิตของเราเป็นสมาธิจิตได้พักผ่อนพอสมควรแล้วก็นํามาพิจารณาทางด้านปัญญาจะ ก, ก็จะเกิดปัญญาที่แท้จริงจะเห็นปัญญาที่ชัดเจนจะพิจารณาถึงกระดูกก็เห็นกระดูกชัดจะเห็นร่างกายของเราทุกส่วนเกษาผมโลมา ข, ขนณขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับผังผืดไตปอดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่า ในร่างกายของเราจะเห็นได้ชัดเจนเพราะเหตุไรเพราะ จ, จิตใจของเราเป็นสมาธิดีแล้วนำมาพิจารณากรอไตรตรองด้วยเหตุผลจะเห็นชัดเจนเพราะจิตไม่หิวไม่ห่วยจิตไม่ปุง้งไม่ฟุง้งไม่ส่าน่เพราะนั้นจิตที่เป็นสมาธิดีถ้าอยู่กับสมาธิอย่างเดียวที่ไม่นำมาพิจารณาทางด้านปัญญาไ ม, ไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้านำมาพิจารณาทางด้านปัญญาแล้ว จะเห็นได้ชัดเจนจะรู้แจ้งเห็นจริงในการอ่พิจารณาด้านั้นเพราะฉะนั้นศีล ส, สมาธิปัญญาเป็นบาตรฐานซึ่งกันและกันเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่พวกเราจะนํามาพิจารณาแต่ถ้าว่าอย่างที่หลวงพ่อที่ท่านได้พูดเอาไว้ว่าสัมมาทิฏฐิสมาธิคือตั้งใจมั่นเพียงแค่นี้ก็พอ ตาไม่จริงถูกต้องเพราะว่าพระในครั้งพระพุทธเจ้าของเราถ้าจะว่าไปแล้วยุคนั้นสมัยนั้นท่านเป็นพระเกรดเมีตะมันสมองหรือว่าท่านบําเพ็ญบุญบุญบา ร, รมีมาม า, มากต่อมากตั้งแต่อดีตบําเพ็ญมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆพระกะกูสันโธโกโนะกมโนกัตสโปจากนั้นท่านก็ไปสู่สวรรค์ไปสู่ชั้นพรมเมื่อพระพุทธเจ้าลงมาตรัสรู้ในยุคนี้สมัยนี้ ดวงวิญญาณท่านเหล่านั้นก็ได้ลงมาเหมือนกับเอเหมือนกับดาวล้อมเดือนอย่างนั้นอ่ะพอพระพุทธเจ้าได้ตัดสรุปธรรมขึ้นมาเท่านั้นอ่ะเจนี้ก็เหมือนกับแสงสว่างพวกท่านเหล่านี้ก็เหมือนกับดอกบัวเออเหลืองลายล้อมรอบอยู่เมื่อแสงพระอาทิตย์ขึ้นมาดอกบัวก็ บ, บานรับทันทีเพราะเหตุใดเพราะบารมีของท่านเหล่านั้นแก่กล้าพร้อมที่จะรับแสง พระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วพราะนั้นในยุคนั้นสมัยนั้นถ้าจะว่าไปแล้วก็คือคิปปะภินยาอย่างนามสกุลนามฉา ย, ยาของหลวงพ่อทูลของเราเนี่ยนะคิด ป, ปะปัญโยเป็นผู้มีปัญญาไวแต่ถ้าว่าพวกเราทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญาถ้าว่าพวกเรารู้ได้ช้าแล้วจะทําแบบนั้นไม่ได้ เราต้องเรียนกอไก่ข้อใก่ขอ้อกวดข้อไฟไปเรื่อยๆตามขั้นตอนจริจึงจะรู้ได้เห็นได้แต่เราจะไปเรียนแบบผสมผสานกันทีเดียวเลยอันนั้นยากเหมือนกันนะเพราะนั้นให้รู้ให้พวกเราดูตัวเองว่าเราเป็นคิปปะปัญญาหรือทันธาปัญญาถ้าว่าพิกคิปปะปัญญาเราก็ตั้งใจทำจิตให้สงบดูสิอย่างพวกเราท่านทั้งหลาย หลวงพ่อเองเคยพูดให้แกศรัทธาญาติโยมฟังว่าคาว่าสมาธิสมาธิคำนี้นะี่พวกเราเห็นว่าเหมือนเป็นเสือโค่งเป็นสิงโตเป็นราชสีเป็นอสรพิษใหญ่โตไม่กล้าที่จะทำจิตให้สงบแต่ตามไม่จริงเราเคยทำจิตให้สงบบ้างไหมเราเคยทำจิตให้สงบเป็นหนึ่งบ้างไหม จิตของเราเคยรวมเป็นอัปปนาสมาธิบ้างไหมเคยมีไหมตั้งแต่เราปฏิบัติมานี่นะแหละตั้งแต่เราบวชมาตั้งแต่เราปฏิบัติทำมาเนี่ยจิตของเราเข้าสู่ความสงบปเป็นหนึ่งเคยมีไหมเป็นหนึ่งนั่นคืออะไรคณิกะสมาธิคือสมาธิที่รวมเข้าไปแป บ, บหนึ่งเพียงแว บ, บเดียวก็เราก็รู้ได้ด้วยใจของเราว่าเออ แต่ก่อนก่อนจิตของเราไม่ได้รับความเยือกเย็นแต่คราวนี้เพียงแค่วบเดียวใจของเราก็เย็นผิดปกติใจของเรารู้สึกว่าได้รับความเยือกเย็นผิดปกติในขณะที่เรากำหนดลหมหายใจเข้าออกด้วยจิตของเราเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งแต่ขั้งที่สองจิตของเราใจของเราเนี่ยเป็นอุปจารสมาธิใจของเราคิดอย่างไรเรื่องอะไรเราก็เห็น ตามทันว่าขณะนี้ใจของเราคิดเรื่องอะไร เ, เราจิตใจของเราไม่ปรุงไม่ฟุง้งไม่ซ่านใจของเราอยู่แล้วนำมาพิจารณาอะไรก็เป็นเหตุเป็นผลเราจะพิจารณาถึงร่างกายสังขารก็ไม่ใช่ตัวตนของเราอย่างนี้เราก็เห็นได้ชัดจะพิจารณาถึงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟก็เห็นได้ชัดเราพิจารณาถึงอรชุภะปฏิกูลก็เห็นได้ชัดเพราะเหตุไร พอใจของเราเป็นอุปจารสมาธินี่ใต้จิตดิ่งลงไปลึกลงไปกว่านั้นจิตที่เป็นอัปปนาสมาธิเรานั่งอยู่ที่ใดเราไม่รู้เสียงเรื่องอะไรเราไม่ได้ยินจะเสียงฟ้าร้องเสียงรถเสียงอะเสียงอะไรไม่ได้ยินท่านั้นไม่รับรู้ทางกายทางตาทางหูตาเนี่ไม่ตองวาดหลับอยู่แล้วทางหูเนี่ยไม่ได้ยินและใจของเราเรานั่งอยู่น่าจะานที่ใด เราก็ไม่ไม่รู้อีกอันนี้จิตเข้าของเราเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งจิตเป็นอเป็นอย่างไรส ต, นนนนสติเป็นอันนั้นสติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้นจิตกับสติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอั น, นี่ว่าจิตที่รวมลึกซึ้งลงไปถึงอัปปนาสมาธิจากนั้นจิตก็ถอนขึ้นมาเรารู้ด้วยตัวของเราเองว่าเออเมื่อกี้ในจิตของเราใจของเรา เข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งไม่ต้องถามใครถ้าจิตที่ลงเป็นอัปปนาสมาธิอย่างนั้นแล้วไม่ต้องถามใครรู้ได้ด้วยตนเองเมื่อกี้เนี่ยเราจิตของเรารวมจนถึงอัปปนาสมาธิมีความสุขจริงๆแล้วรู้ได้ด้วยตนเองอีกว่าร่างกายเป็นส่วนหนึ่งจิตใจเป็นส่วนหนึ่งจิตใจกับร่างกายเป็นคนละส่วนกันเป็นคนละเรื่องกันเป็นคนละอันกันรู้ได้ด้วยตนเองว่า ตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูนไม่ต้องถามใครจิตเป็นสมาธิเพียงแค่นั้นเราตัดทิงได้ด้วยตนเองว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูนร่างกายเนี่ตายหรือสูนแน่นอนเอาไปเผาไฟแน่นอนแต่ดวงวิญญาณคือใจที่มันสงบนิ่งโดดเด่นนั้นดวงนั้นไม่ตายเห็นได้ด้วยตนเองนี่แหละรู้ได้ด้วยว่ารูปประธรรมและนามธรรมอาศัยกันอยู่ในร่างกายของเราเนี่ย รูปธรรมคือร่างกายส่วนนามธรรมนั้นคือจิตใจอาศัยกันอยู่แต่ร่างกายนั้นแตกตายสลายแน่แต่ส่วนจิตใจนั้นไม่ตายปฏิสนธิในภพภูมิอื่นต่อไปได้ถ้าว่าเรายังชําระจิตใจของเรายังไม่หมดจดจากกิเลสแต่ถ้าว่าเราชําระใจดวงนั้นหมดจดจากกิเลสแล้วใจลุ่นั้นบริสุดแล้วนั่นแหละทีนี้ใจดวงนั้นก็แปลว่าหมดเชือ้อ จะไม่ไปเกิดในภพภูมิต่างๆอีกเพราะจิตใจของเราหมดเชื้อแล้วที่จะทที่จะนำไปเกิดในภพภูมิต่างๆคือจิตหมดกิเลสราคะโทสะโมหะนี่แหละสมาธิจุดนี้ถ้าจะว่าไปแล้วมีคุณค่ามีประโยชน์ในการที่จะดับทุกขเวทนาอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าเมื่อจิตดิ่งลงเข้าสู่ความสงบแล้วไม่รับรู้ทางร่างกายร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วย เจ็บปวดยังไงไม่รับรู้ทางนั้นนี่แหละสมาธิจุดนี้เป็นสนามเพาะจุดหนึ่งเหมือนกันนะเวลาเวทนาคือความเจ็บไข้ได้ปวด่วยเกิดขึ้นเนี่ยแยกกายออกจากจิตแยกจิตออกจากกายเหมือนกับเราออกไปเหมือนไฟไหม้กอไผยอย่างนั้นอ่ะแต่เราออกมันนอกเหนือจากกอไผ่มันยืนอยู่ข้างๆ มันไหมก็ให้มันไหมไปมันแตกตุ่มต่ำตุ่มต่าตุ่มตําแต่เราไม่ได้อยู่ในกอไฟไฟไม่ได้ไมหมเราอันนี้ก็เหมือนกันพยาธิโรคามันทำลายร่างกายแต่ใจของเราไม่ไปแบกไม่ไปแบกร่างกายแยกกายออกจากจิตแยกจิตออกจากกายอันนี้สมาธิจุดนี้มีความหมายสาหรับผู้ที่ เ, เจ็บไข้ได้ป่วย ให้แบ่งแยกให้ดูให้ดูกายให้ดูใจให้ดูใจให้ดูกายเหมือนกับคนกับรถอย่างนั้นน่ะถึงไฟจะลุกไหม้รถแต่คนขับรถออกมาอยู่อยู่ข้างนอกมันจะไหม้ก็ไหม้ไปแต่ถ้าว่าเราไม่ได้แยกตัวออกมาจากรถเราก็นั่งอยู่ในรถไฟก็ไหม้ทั้งรถไหม้ทั้งตัวเราเราก็เป็นทุกข์เพราะเราไม่รู้จักแยกเนี่ยเราไม่รู้จักกระโดดออกมาจากรถอันนี้แหละ คือสมาธิจุดนี้มีความหมายสำหรับพวกนักปฏิบัติทั้งหลายเพราะนั้นให้พวกเราศึกษาเรื่องศีลสมาธิปัญญาของพระพุทธเจ้ามีหลากหลายมีมากมายที่พวกเราจะต้องได้ศึกษาแต่ถึงยังไงในหลักจุดใหญ่ของพระธรรมคาสั่งสอนที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำที่ท่านอบรมสั่งสอน ท่านบอกว่าร่างกายสังขารไม่ใช่ตัวตนของเรานะตั้งแต่เกษาพระพุทธเจ้าเกษาผมโลมาขนนาขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อเอ็นกระดูกร่างกายของเราไม่ใช่ตัวตนของเราใจของเราไปยึดมั่นไปถือมั่นไปให้ความสําคัญขนาดร่างกายยังไม่ใช่ของเราไม่ต้องพูดถึงวัฏวายศาสนาไม่ต้องพูดถึงเงินคําทรัพย์สมบัติ บริษัททางร้านสามีภรรยาลูกเต้าเล้าหลานไม่ใช่ของเราทั้งนั้นอันนี้คือเป็นภาษาใจของเราให้เราคิดไว้ในใจเสมอว่าขนาดกระดูกของเรายังไม่ใช่ของเราแล้วสิ่งเราอื่นจะเป็นของเราได้อย่างไรคิดดูนะใจนะให้เข้าใจนะใจนะอันนี้คือเป็นภาษาใจสอนใจของตนเองแต่ว่าพวกเราไม่ได้คิดไวอย่อยางนี้ไม่ได้คิดไวอย่างนี้ในใจเราต้องรุ่มหลงแน่นอนถ้าว่า ใครทําให้เสียหายหรือว่าทำเงินคําทรัพย์สมบัติบริษั ท, ท้างร้านลูกหลานล้มหายตายจากไปพวกเราจะเสียอกเสียใจอย่างมากแต่ถ้าว่าพวกเราได้คิดไว้ในใจของตนเองเสมอว่าขนาดร่างกายนะของตัวเองนะเอามาจากท้องแม่ ท, ท้องแม่แท้ๆนะยังไม่ใช่ของเรานะอีกสักวันหนึ่งเราจะต้องทิ้งนะ่ะเพราะนั้นอย่าไปคิดเลยว่าสิ่งเราอื่นจะเป็นของเรา ใจต้องทำควอมข้อยใจใจต้องรอบรู้ใจต้องรู้ในเรื่องของตัวเองทีนี้เมื่อเราพิจารณาอย่างนั้นแล้วเราก็จะต้องปล่อยวางที่ใจทีนี้ในเมื่อขนาดกระดูกตัวเองร่างกายตัวเองยังไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วเราจะไปยึดอะไรจากสิ่งภายนอกใจก็ร้องหันเข้ามาหาใจทีนี้ในเมื่อหันเข้ามาหาใจมารู้ที่ใจใจก็ปล่อยวางที่ใจทีนี้ ใจนึกคิดเรื่องอะไรนึกคิดเรื่องดีนึกคิดเรื่องชั่วคิดเรื่องบาปนึกคิดเรื่องบุญผลที่สุดมันเป็นตัวสังขารหรือตัวปรุงแต่งอยู่ในจิตใจหยุบยิบหยุบหยิบหยุบยิบห ย, ย, ย, ยุบอยู่งั้นเดี๋ยวก็เศร้าหมองเดี๋ยวก็ผ่องใสเดี๋ยวก็เศร้าหมองเดี๋ยวก็ผ่องใสในจิตในใ จ, ในใจของพวกเราเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านให้ดูใจทีนี่ดูตัวผู้รู้จุดนี้ละ่ะที่ตัวนึกคิดตัวปรุงแต่งนี่แะ ตัวนี้ก็ไม่ใช่ตัวตนของเราอีกเหมือนกันบอกว่ารู้แต่สักว่ารู้เห็นแต่สักว่าเห็นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราตัวนี้ก็คือตัวอนัตตาอีกเหมือนกันเพราะนั้นปล่อยวางที่ใจเมื่อปล่อยวางที่ใจใจก็หลุดพ้นคือการ ค, คือเกิดความคือเกิดนิพพิธาคือความเบื่อหน่ายคลายจิตใจก็หลุดพ้นจากอาสวะกิเลส เพราะมันปล่อยวางที่ใจธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่อยู่ที่ไหนไม่อยู่ที่ทางอื่นมันอยู่ที่ใจของพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยนะถ้าพวกเราพิจารณาเอาำคำคําสั่งสอนที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านํามาประพฤติปฏิบัติแล้วเราพิจารณาส่วนภายนอกให้ท้ายว่ามันเหมือนกับตัดแข้งตัดขาตัดไม้ตัดมือตัดสิ่งที่มันไปเกี่ยวข้องเท่านั้นเอง จากนั้นมันก็เข้ามาสู่จิตใจของเราใจของเราเนี่ยแหละเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเป็นเรื่องที่ก่อเหตุก่อราวที่สุดเป็นทิ้งเรื่องที่ยุ่งเหยิงวุ่นวายที่สุดคือใจเพราะฉะนั้นนํำทำคําสั่งสอนที่พวกเราได้ฟังได้ศึกษานี่คือศีลสมาธิปัญญาปัญญานี่แหละที่จะเป็นสิ่งที่ขุดค้นในจิตในใจของพวกเราในเมื่อพวกเราพิจารณาทิ้งกระทั่งเทว่า ใจของเราเป็นตัวนึกคิดแต่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราในเมื่อพิจารณาทุ่มธรรมะที่ขั้นสูงสุดลงไปในนั้นแล้วตัวที่ทนต่อการพิสูจน์มันมีทนต่อการพิสูจน์ก็คือมันรู้จริงเห็นจริงรู้แจ้งเห็นจริงไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วมันจะเป็นความรู้ขึ้นมาอันนั้นแรีย ว, ว่านิพพานังประมังสุขขัง นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งคือไม่มีอะไรที่จะไปกวนไปลบกวนในจิตใจดวงนั้นจิตใจตรงนั้นบริสุทธิ์แล้วเป็นอมตะธาตุเป็นอมตะธาตตรรมจิตใจที่ไม่มีสิ่งอะไรลบกวนถ้าว่ามันยังมีเชื้ออยู่เนี่ว่านิพพานังปรมังสุญอย่างนิพพานศูนย์ศูนย์อะไรคือสุญเชื้อเชื้อที่จะทําให้เกิดนะั้นมันศูนย์ไปแล้ว ไม่มีอะไรที่จะทำดวงวิญญาณดวงนั้นไปเกิดในภพภูมิต่างๆอีกแล้วนี่แหละท่านให้พิจารณาอย่างนี้แล้วก็จุดที่ที่มันไม่สูนทนต่อการพิสูจน์เหมือนกับแร่ธาตุแร่ธาตุในท่าเราเอาน้ำกรดเข้าไปสาดเข้าไปมันจะกัดตะเลีงละลายไปหมด แต่ไปเทใส่ทองคำเนี่ยเทยเท่าไหร่มันจะไม่กัดทองคําทองคําเทเทเทเทเทเทเทเทเทเทเทเาเทเทเทอทเทเทเท่าเทเทเทอื่นๆทเทเทเทเัเทมทรรรรรรเทเมเทเทเทเทเทเงเทเทเทเทเทเทเทกทเทเทเทเทเทเทเทเทเทเทงทเทเทเทเทเทเทเทเท้า เ, าเาทาเทเทเทเทเทเทเทเทเทเทเทเทเทเทเทเทเทเทเทเทเทเทเทเทเนเทเทเทเทเทเทเทเทเทาทเทเมเทเทเทเทเทเทเไเท มันเป็นอม พ, อพตะธาตุแต่จิตเป็นจิตใจที่บริสุทธิ์เ อ, อไม่มีกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่ในนั้นจิตใจที่หมดเชื้อที่จะทําให้ไปเกิดอีกแล้วไม่มีอีกแล้วแต่ใจของเราทุกวันนี้ถึงจะออกจากภพนี้ชาตินี้ไปเถอะมันยังมีเชื้ออยู่คือกิเลสราคะโทสะโมหะมันอยู่ในใจ เ, เหมือนกับใจยกไปที่ไหนก็เถอะเหล็กก้อนเนี้ย สนิมก็ต้องไปด้วยเหล็กอยู่ตลอดแต่เมื่อไร่เราพยายามทําเหล็กก้อนนี้ให้เป็นสเตนเลสอ่าเออคือไม่ให้มันเกิดสนิมนั่ะคราวนั้นแหละอะใจของเราจะไม่มีสนิมอยู่ในในเหล็กเน่เพราะเราสกัดสนิมออกจากเหล็กแล้วนี่แหละขอให้พวกเราท่านทั้งหลายศรัทธาญาติโยมทุกท่านนํามา ให้ควรไรตรตรองเหตุและผลที่หลวงพ่อได้พูดในแนวความคิดในภาคปฏิบัตินะเรื่องศีลสมาธิปัญญาตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนาสั่งสอนแต่ที่ท่านหลวงพ่อที่ท่านได้พูดเป็นแนวความคิดของท่านก็เป็นแนวความคิดหลวงพ่อไม่คัดค้านถูกต้องแต่ว่าเป็นแนวความคิดแบชิบะปัญญย ที่ปปัญญาความรู้เร็วแต่ถ้าว่าพวกเราจะใช้อย่างนั้นก็ไม่ผิดได้แต่ว่าใช้ไปแล้วไม่ได้ผล เ, เราก็ต้องกลับมาหาทันธาปิญญาดูที่ว่าจะทำยังไงจิตใจของเราจะเข้าสู่ความสงบทดลองดูที่ว่ามาบริกรรมอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดสรูรรมที่โคลนต้นโพนะั้นวันเดือนหกเพนท่านได้ตัดสู้เรื่องอะไรวันนั้นอะ ท่านวันนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกนี่ละกรรมฐานของพระพุทธเจ้านะที่เราศึกษาในพุทธประวัติจากนั้นจิตพระ อ, องค์เข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งเกิดยาทัศนะเนี่ยปุเพนิวาสานุจติยานละลึกชาติผลหลังได้ ตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษานะล้วปุเพนวาสานุสติยานพอถึงเที่ยงคืนจตูปปตาตยานการจุติของสัตว์พอจวนสว่างก็อาสาวัคยยะยานยานอย่างรู้ว่าท่านหมดจดจากกิเล็ดราคะโทสะโมหะแล้วนี่แหละอันนี้ก็คือพุท ธ, ธะแต่พวกเราท่านทั้งหลายการประพฤติปฏิบัติทาาว่าพวกบางคนเอา หาเงินจะไปยากอะไรนอนหลับฝันไปก็ไปซื้อหัวยถูกรางวัลที่หนึ่งรางวัลแจ็กพอร์ตทีเดียวเท่านั้นแหละรวยเลยแต่พวกเราทําอย่างนั้นได้ไหมฝันเท่าไหร่มันก็ไม่รวยฝันเท่าไหร่ไปซื้ออะไรก็ยิ่งเจ๊งแต่มันรวยผู้ร ว, วยก็รวยได้เนะอันนี้ก็เหมือนกันนะั่นแหละะพวกเราท่านทั้งหลายประพฤติปฏิบรรัติธทมก็ลักษณะอย่างนั้นะต้องดูตนเองทางว่าพวกเราทําอย่างนั้นไม่ได้ พวกเราก็ต้องทําไร่ ท, า ท, ร ท, ทาํานาทารั้วทําสวนทํามาค้าขายประพฤติปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปตามบุญวัดสนามบา ร, รมีของพวกเราอย่างน้อยก็ให้พวกเราได้รับความสงบพร่อนเย็นเป็นสุขทางจิตใจจิตใจของเราไม่หิวโหวยไม่มัวเมาไม่กระสับกระสายไม่ทุกข์จนเกินไปให้รู้จักปล่อยให้รู้จักวางให้รู้จักศินรู้จักทำเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลาย วันนี้หลวงพ่อได้พูดแนวความคิดให้แก่พวกเราทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาที่หลวงพ่อได้ยกพระบาลีขึ้นเบื้องต้นว่าศรัตถาเทวมนุษย์สานังพระพุทธเจ้าของเราเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายและกับพระธาตุของพระพุทธเจ้าขอพวกเราได้กราบได้ไหว้สักการะบูชาเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ได้มากราบมาไหว้ในพระเจดีย์แห่งนี้นะ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 ทุกประการเทิน